พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าอย่าประมาทกับมรณะภัย เมื่อเนีเป็นวันที่ย2พฤษภา ค, คมพุทธศกราช 2,556 หสวันที่24เป็นวันวิสาขาบูชานะคณะชาตาญาติโยมหลุกลานให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมการที่จะประกอบคุณงามความดีวันวิสาขาบูชายางหน่อยให้มีสินหายางมากขก้นไปกว่านั้นให้มีสินแปด มากกว่านั้นนะให้ไปอยู่วัดนางภาวนาตลอดวันตลอดคืนบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอ่นี่ยแหละอันนั้นคือรวมทั้งกายว่าใจาใจของเห่าถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูดัสสรูปริพญานมันนี่เป็นวันที่ยีมื่ออื่นเป็นวันโกน ว่นโกนคือวันปรงผมน่ น, นะของพระแล้วก็วันที่24เป็นวันวิสาขาบูชาให้พวกเข้าเตรียมพร้อมเนอะแล้วก็เมื่อนี่ตอนเย็นหลวงพ่อจะได้ไปเป็นประท่านไฟสงสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคู้นชุ่เมธโธวัดป่าผู้ดินพร้อมกับคณะสะพอปอเขตสี่ แล้วก็ที่มีหลายกลุ่ม ฟ, ฟังฟังเบิงจะมีพวกไฟฟ้าเขามาร่วมด้วยเพราะว่าเวลามีจํากัดการเลยรวมกลุ่มกันผูใ้ใดสิเขามารวมกแสดงความจําน่งเขามาร่วมกันแล้วก็เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเย็นมื่อนี่แหละวันที่ยีสิบสองแล้วก็พร้อมกันเขาคอ น, นมิมอนลงพอเป็นองค์แสดงถ้ำลงพอเป็นเจ้าภาพพร้อมเป็นผู้แสดงถ้ำพร้อมอืมก็ดีขึ้นกันนละ ขอบูเดทไถว้ข้ากันเทศเออจ้าภาพเองล่ำเองเอาหนาไปนี่แหละมื่อแรกนี่นะได้มีการสวดพระอภิธรรมแล้วก็วันที่ยี่สพกจะเป็นวันประชุมเพิ่งพ้นบวรีขอ เ, เป็นพระราชท่านเพิ่งแต่เป็นวันประชุมเพิ่งอย่างไรก็ได้คือกันนั่นละ พี่น้องไปชาชนทัลั ท, ะทะ่าญาติโยมของคงจะร่วมกันย่านยยางเดี๋ยวแต่ญาแจะฝนตกจะอืดอัดพอสมควรมาเป็นแอ่งน้ำพอสมควรอยู่ไปเห็นมะว่านเมือกรก็ฝนตกโอ้เห็นแล้วก็รู้สึกว่า อ, อืดอัดรถขยับขยืขย่นบ่ใดเลยในงานของหลวงพ่อคุณวันที่เพิรนเอาศพมานี่ก็กตกยางแรงจอึ่งอางกบเขียดห้องฉนันวันไหวในคืนนั้น หลวงพ่อเป็นองค์แสดงถ้ำขึ้นกันคืนแรกคืนวันที่สิบสามแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบอาทิตย์ที่สิบแปดที่ผ่านมาก็ฝนตกอย่างขนาดนักอีกแล้วก็วันที่วันที่สิบแปดสิบเก้าฝนตกน่ะที่สิบเก้านะหลวงพ่อไปฝนตกแม่ห่มา ก, มากวันที่ยี่สิบเหมือว่า น, นี่ 20, 21, 21, วันที่ยี่สิบยี่สิเอ็ด่สมววานมันววานในแดดมัอว่านแล้วก็มัวว่านในหลวงพ่อเองบรคาดคิดคื้อกันคุณโยมจากกรุงเทพที่เป็นอุปธรรมประถากลงตาพิมพ์หนังสือนั่นแหละตาขาวาเอิดซื้อให้พวกเข้าของขงจั้งเจ้าพวกคุณหลวงนั่นแหละเพิ่นพิมพ์หนังสือลงตาเขาหลบอง์ลงตาอย่างสุด ท่าวาเข้าอ่านหนังสือทุกเคลมเี่เพิ่นกับโมกลุ่มของเพิ่นเป็นผู้เขียนเน่เข้าจะรู้จักเลยว่าเพิ่นมอบกายถวายหัวกับองค์หลงตายอย่างชุดสึ่งหาได้ยากเป็นผู้จงรักภักดีนีบมแมนทีเอาทีสิ่งทีบอนั่นเอาแต่สิ่งที่ประสบประการสิ่งที่ได้พบได้เจอได้เห็น เด้เขามาศึกษาในปฏิปทาขององค์หลวงตายางสดสึ่งได้นํามากเขียนเหล่มชุดไทยกับมรดกของวัดป่าบ้านตาดเป็นไล่ไล่เส้นอีกต่างหากเลยไล่เขียนรูปภาพทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องเขียนเป็นรูปเขียนทั้งหมดก็บรรรูปเขียนในนี้มนันโมเมนต์ธรรมดาหาผู้เขียนใหญยากถ้าเป็นราคาก็ไม่ค่าที่เดียวนังสือที เขียนล่เขียนเป็นประวัติของวัดปาบัานตาตอันนเมือว่านเพิ่นกระปวยก็ยกตามไม่จริงเพิินกับสุขภาพของเพิินก็บกบค่อยดีมาแต่ใดแต่ไรล่ะอันดับแรกเพลนว่าเพลนโอ้บอ ก, บ ก, บ ก, บกลูกบอกหลานเน่าเรื่องสูบปุรีโมเมนต์แนวดีมหลายหลายอย่างบรรดาเถ่าแก่ชล่ามาแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันตั้ง ปอดทั้งหัวใจทั้งเส้นเลือดตีบตันอีกต่างหากมันเป็นสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่เมื่กรเพิ่งจะสูบบุหรี่นักก็สั่งปนบาสเดี๋ยวนี้ยเก็ดคงจะมีอยู่ปะป่ายนะบาดะว่าถึงจุดนี้แล้วก็นำนักเพิ่งจะขึ้นอีกต่างหากไปเห็นเมื่อว่านนลยคะ่ะโอ้ได้สอดเครื่องช่วยหายใจเข้าไปในปากแลก้วก็บ่อย เขาเอาอย่างคำปากไปอีกต่างหากักเพราะเห้ไก้กัดสายอย่างเห็นก็จะเทศอย่างไรล่ะโรคมันมันรุมมาตุ่มโรคหัวใจก็ได้ใส่แบตเตอรี่แล้วก็โรคความดันแล้วก็โรคไตโรคไตแล้วก็โรคเบาหวาน มีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งหมดที่มาลุ้มมาตุ่มแต่ถึงยังไงกําลังใจของเพลเนี่ยโอ้เกินรอยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหลวงพ่อยกย่องตุกชิดของหลวงตาที่เคยเขาใกล้ชิดของเพินเนี่ยบอกมีผลได้ขี่โยยหัวน้ามองอยังไงบอกมีผลได้ขี่โยยหัวน้เข้มแข็งเห็นแหละหลวงพ่อไปก็ให้กาลังใจไปให้กําลังใจเออคุณยมมไหม เห็นแต่ไหนแต่ไรมากเป็นผูมีกำลังใจเข้มแข็งร่างกายสังขารมันบ่เป็นของเฮ้าเด้อขนาดพระพุทธเจ้าก็บว่ากันนะอยู่ไกลเฮ้าขนาดลุงตาของเฮ้าที่เฮ้ารักเคารพนับถือเหลื่อมใสา ย, ย่างสุดๆเพิ่นก็นยังถิ่มธาตถิ่มขันเฮ้านี่ประสีภาษายัางแต่ถึงอย่างไหนเห็นเคารพ น, นอบน้อมเชื้อฟังโอวาดของเพิ่นเนอ เอานํามถรำโอวาดขององค์หลวงตามาปฏิบัติเนอร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักมือหนึ่งเ้าจะต้องหนีจากร่างกายของเขาร่างกายของเ้าจะแตกลงสู่ดินน้ำร่มไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นในร่างกายเนอะจะถึงยางไงรกร็บอกกันได แต่ว่าถึงข้าวหนีคือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะตนแรกเป็นที่พึงของตนโกหิหนาโถปรโรชิยาคนอื่นใค ร, เร่เล่อยจะเป็นที่พึงเฮาได้นอกจากปัวเฮาเท่านั้นแหละบาดเนี่ยลงพอหาไปก็ให้ความให้กาลังใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายสังขารของมนุษย์ชาติเนี่ยตามมาพิจารณาเบิง้งที่ถวนถวนทีแล้ว พอถึงข้าวตายก็คงยาบวตายถึงข้าวตายมาเลยถึงจะได้กระบออยู่อย่างหลวงพ่อคุณคือกันหลวงพ่อคูุณพญาบรรจุราชทหารพญาบรรจุราชเข่าไปปิดเส้นเลือดเลี่ยงไปเลี้ยงหัวใจคล้ายๆครๆับว่าปิดเส้นทางล่ําเลี่ยงเส้นทางโอสถ ที่จะเข้าสู้หัวใจบล็อกนะบล็อกเส้นทางผมนี่สวยกว่า น, นะเส้นทางหัวใจก็ยุดทำงานเพราะเห็ุดเพราะว่าเขาบล็อกเส้นทางเมื่อแล้วถึงเข้ามรณะาภาพขู่ขนทั้งหลายท่านเรามาพิจารณาเบิ่งแล้วก็ลักษณะนั่นขึ้นกันพ่อจูนจวนเขามาเนี่ย อาการนักขึ้นมานี่กเนี่ยหัวใจหัวใจพิษปกติไตพิษปกติปอดพิษปกติแล้วก็ความดันความดันในร่างกายพิษปกติแล้วก็บาหวานมันมาลุ่มมาตุ่มมาตุ่มมาลุ่มข้ามาเลย ทหารพญามัร จ, จุราชมันตีเขามากคนละทิศคนละทังภาในพญาจิตรราชเนี่ยคนเนี่ยทรงขุนพ้นซึกออกไปสู่ทั้งเพศซัดทั้งโอซัดไออย่างไออย่างออกไปสู่มัดพญาจิตรราชคิดได้ทั้งใหนสู่กับทหารพญามัจจุราช แต่บางขรั้งก็ทหารมัจุราชลาถอยขยับไปเพราะสู่พญาจิตรราชพญาโอสถพญาเพศัตดบ่อใดพญายาบาย่อใดพวกยุกยาทาั้งหลายรักษาหายพญาจิตรราชก็ดีใจว่าตัวเองเอาชนะเขาได้แต่ขุนพจน์ของพญามัตรุราช ถึงจะถอยไปอยู่ห่างๆก็เถอะขยับปลาถอยไปเอ่อเก็ตั้งท้าปากขมุกผมับนวดขยุบพยับโยนออกไปเออหรือชัตราอาวุธเที่พร้อมที่จะเข่ามาดตะลุ่มบอลอยู่ตลอดเมื่อว่างเมื่อใดเมื่อเผลอเมื่อใดเอาไปพญบทหารพญามัจจุราชที่พร้อมที่จะเข่ามาได ทุกเว ล, เวลานะเพราะนั้นพญาอวถก็ดีพญาจิตตลาดสนะ่งคุณพ่นไว้เตรียมคุณพ่นไว้ก็หาเวลาเผืออะไรขึน้นกันถึงบางครั้งเวลาคณะคณะน้อนคณะนอ น, นะอ น, น, อนนะก็นย่งเตรียมเครื่องอตรวจหัวใจตรวจความดันแล้วว่าตรวจการหายใจเจ้าของไว้อีกเพื่อ ม, มันจะยุดจันเอาวัดเผอ่ะ เอาบาดเปลือเอาบาดยามนอดรับมาแล้วย่ามน อ, นมมนอนมมดอรับไปยามจุฬาบีบข้อย่ามนอดรับโซเสีย ว, วฝืนขืนมากยังใจขาดล่ะนี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วก็คือมรณะไพ่คือความตายนี่เป็นของเป็นของเทียงแถ่แน่นอนคือความตายบอกไม่พอได้จะหลีกหนีผลไปได้ที่ว่าอันนี้จังคือของบ่เทียงคือสิ่งที่ทั้งหลาย ทั้งป่วงพันบอ่อเทียงเกิดแก่เจ็บตายแต่นิดจังแท้ๆก็คือความตายผมไม่พดูดอะจะหลีกหลีหนีพ้นไปได้นี่แหละลักธ้ำค้าสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นยังบอกกาวแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานยังปลกเล่าๆทันเนี่ย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนออันใดที่จะเป็นชิงที่เก็บหอมรอมริบได้เก็บหอมรอมริบยังผูป่วยขึ้นกัน คือขันกับเขาจะไปต่างประเทศเข้าจะไปต่างประเทศเข้ากระ เ, เป๋าแล้วกระเป๋าอีกยาที่เข้าคยใส่มีบ่ประเทศที่ทเข้าทีไปนะ่ยมียังมันหนาวบ่อต้องเสื้อกันหนาวต้องเสื้อกันฝนอ่ต้องเตรียมไอ้ยังไปพร้อมทุกอย่างเพเพอ เคยไปมาแล้วก็เคยกินพริกกินเกลือนะก็ต้องเกียมพริกไว้อีกตั้งหากพริกผงฮเพื่อปรุงรสอาหารฮนะแต่ละประเทศแต่ละชาติไผ่ก็เตรียมพร้อมของภัยของมันเพือเอ่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของผู้ที่จะไปต่างประเทศเขาเตรียมเตรียมพร้อนมะเว้นเสียแต่ขี่ทุกขี่ยากกินเหล่าเม้ายาตาปืออยู่ทั้งวีทั้งวันที่ไปสายกระบงงจัก บารหาแล้วเขาจึงจับใส่ใส่เครื่องบินไปแล้วไปยนลงไปต่างประเทศไปหอดพุ่นระเบิดเจักสีกินย่างบั์เลยั้งสั่นกรมีตโตโตเตเตอันนั้นแปลว่าผูกบอบพร้อมผูกบริขดว่างแผนลวงนาการผูกวิดคิดว่างแผนลวงนาเนี่ยก่อนเขาจะไปต่างประเทศเนี่ยเขาต้องคิดเลยเงืนของเขามีบอ บัตรเอทเอห้าบอเวลาเจ็บไข่ได้ป่วยอยู่เมืองนอกเด้ห้าวจิตติต่อประสานไผ่กับเป็นคนทีแรกเงินล่ะเงินของเฮ้านี่ที่อยู่ควาดใกล้ๆ ไ, ได้อยู่ใสโอนแบบไรออนไล์แบบไรติดตกับไผ่กับบอทั้งพีไวอ้อีกบอกกับงพีกับน่องกับหลูกกับหลานไว้อีกเมื่อเฮ้าจะไปต่างประเทศเนี่ยเมื่อไปแล้วก็ บ, บัตนี่ยขนาดนั้ น, น เข้ากับเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอันนี้คือกั น, นั่นแะพวกเข้าเกิดมาในโลกไงก้อนเข้าสีายอื่โยกยากใหายไปต่างประเทศไปต่างพบต่างชาติพวกเข้าได้เตรียมพร้อมยังไว้บอ์อันนี้เป็นนาทีของพวกเข้าจะถามเลยย้อนถามเมืองเจ้าของ เงินในกระเป๋าห่ามีบ่บออแล้วก็จับสมบัติของเฮ้าเนี่ยเฮ้าได้ไหวพระโสดมน้อนภาวนาทำจิตใจให้สงบมาเตรียมพร่องไวไวบอเรื่องท่านศีลภาวนาของเฮ้านี่ยคุณงามความดีของเฮ้าเนี่ยเฮ้าได้เตรียมเป็นที่อุ่นใจระย่งอันนี้ก็เป็นนาทีของพวกเฮ้า ชัตท่าญาติโยมหลูกหลานทั้งหลายขึ้นกันจะต้องคิดให้ดีขึ้นกันคานว่าเห้าเตรียมพร้อมไว้แล้วเอาเถอะเห้าจะไปโลกใดก็ประเทศใดก็ไปเถอะเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้เห้าตรงมีและก็เมื่อปะโลกไพ่ภาคนาบ่มีโจรบ่มีผู้ไรต่างหากบ่มีการคดการโกงกันอีกต่างหากซื้อใดก็ซื้อนั่นขันผู้ใดทาไม่ยั้งกั น, นั่นะ บ่มีการโคดการโกงกันขอกันกินอะไรอีกต่างหากไปประหลกคำมัดก็คือมัดภาพมัดแล้วก็บมัดทุนแล้วกันั่นแหละลงมาเกิดอะไรลงมาหาต่างประเทศล่ะขั้นว่าเฮ้ามีทุนมีทุนจากต่างประเทศมาขั้นบนมีทุนกับไปประเทศไหนตกประเทศแถวใกล้ๆมานะ่ะ อยู่แถวอเมริกากัแถวไปแถวแอฟริกาบ่อแถวไอายางที่มันไกลๆผมมันมีผมมีทุนกลับมาเอเชียได้อีกเด้ผลที่ทุกข์กันนั่นแหละใช่กำไปหาทุนไปคันว่างออีกอย่างต่างหากอีกนั่นแหะทุกยากอีกต่างหากอยู่ในกับเขาอีกเพราะความบกคิดบ่อ่านเพราะความบริชายสติปัญญา ดันขอให้พวกเข้าทุ ก, ทกคนนะนี่ตั้งเจริญใหญ่โงกยากยหญ่แท้ๆแล้วอะ่ะอา่าใหญ่พบใหญ่ชาติทแท้ๆล่ะเกิดไม่ชาตินี่เข้าจุบรุรยูชัวฟาดินสลด์เลยเอ่บอแมนเจ้าความตายมาครูกันเม า, เาบังคับกันด้วยว่าบอกให้สิ่งพวกเข้ากลัวบอแมนเอาความจริงเอาเรื่องที่ พระพุทธเจ้าเพิ่งบอกว่ากล่าวไว้แล้วมาบอกเราแนะนําสั่งสอนกันแล้วว่าตายแล้วบิดศูนย์เป็นกระบอกของจันอีกตายและเบิดศูนย์เกิดอีกขั้นหากว่าตายระเบิดศูนย์เห่าของปฏิบียบ์เบียนผู้ใดให้คิดใจง่ายๆว่าเราไม่ความสุขในใจัานว่าตายแล้วบิดศูนย์เห่าก็จะได้บุญญกุศลเกื้อกูลหนุนพวกเหาออไปปรนโลกไายภาคนา มันโมนมีเสียหายเทาว่าเฮาสั่งคุณงามความดีคานว่าเฮ้ยความซัว น, นั่นแหละเสียทุกประตูเลยเกิดพบนายชาติหนาตัตายบมดศูญย์เฮากวรได้รับกรรมที่ให้กระทําไหวคานาว่ามันศูญย์อิลีเฮาก็ว่าได้เสียหายอเองในเกิดมาในพบในาชาตินี้เป็นที่ยอมรับของลูกรานญาติพี่น้องผู่ยูเบื้องหลงัง อขอห้องปฏิถิถ้อีกย่างเป็นเกียรติประวัติของเฮาอีกตางหากนี่แต่ตามไม่จริงรักของพุทธศาสนาแหละตายแระบบศูนย์แ น, น่นอ่าก็นั่งขอให้พวกเฮาลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อปารลบเมือกเมื่ อ, อนี็คือเห็นความป่วยความเจ็บความป่วยแล้วก็เห็นมลนาไพ่ให้พวกเฮาได้หูได้เห็นอย่างหลวงพ่อนี่ขึ้นมาหยุดยุจจุดนี่แหละก็ ม่องใส่ม่องขวาม่องหนาม่องหลังเนี่ยเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังงองากงะงกเลยเนยพอเหตุใดพออายุเจ็ดสิบปีนี่ตายไปรู้ชักสักขู่สักคนทั้งพระทั้งโยมยมันอยู่จุดที่มินเมตเข้าไปเรื่อยๆพอเองรู้พ่อเองกันี่นะตั้งอยู่ในความบอรประมาทขึ้นกันซึ่งไหนจะเป็นคุนงามความดียังพวกคณะัาติญาติโยมลูกลานได้เห็น ชวนตัวคิดว่าเต็มที่ขึกันสิ่งภายหนอกก็คือกั น, น ก, กัอกนอมองรอบๆด้านสิ่งใดจะเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อลูกต่อลานต่อวงสาขนายาตต่อพระพุทธศาสนาต่อผูยูไงไก่ชิดมากหน่อยกับพยายามบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีให้เป็นสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิในความคิดสัมมาทิฏฐิในการกระทําสัมมาทิฏฐิในการพูดกายว่าจจใจเป็นสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องแล้วมันกเบนเออหัวเลือบไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือนั่นแหละความสุขความเจริญถึงจะบดพลทุกในวัฏะสงสารไปมีแต่ความสุขที่พวกเฮาจะเดินทางต่อไปภายภาคหนา อันว่าพวกเ้าบร่ได้เตรียมพอบร่ได้ตั้งใจอยู่เป็นวันวันคิดเป็นวันวันทำเป็นวันวันพูดเป็นวันวันไปโดยที่พ่รใดใส่ใจในการประกอบคุณงามความดี อ, อ, อนาคตของเข้าจะไปทางใดพมีพ่อใดทำนาน้าใดตัวเองก็บ้อมันใจเพราะนั้นอย่าอย่าถึงขนาดนั้นพอเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดแนนํำสั่งสอนถึงไหนเสือเปิ่นไหวฟังเพิ่นไหวดีที่สดุดนะเอารับพรอนอโมทนาให้พรอ